ต่อไปนะดูก่อนพราหมณ์ในเมื่อภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะได้พระองค์ใช้คําว่าประมาณมัดตันยูเป็นผู้รู้ประมาณคําว่ารู้จักประมาณตรงนี้ท่านใช้คําว่าโภชนะเป็นธรรมะประเภทเครียกว่าเหมือนกับกล่าวคําว่าพระราชาถามว่าเมื่อพูดถึงคําว่าพระราชานีพวกอํามาตะต้องพูดถึงไหมพระราชาเสด็จมา ต้องบอกอามาตย์ก็มาด้วยอย่างนี้ต้องพูดไหมไม่ต้องปัจใจสี่ก็เหมือนกันยกบินธบาตมาอันเดียวจีวรเท่ากับพูดแล้วที่อยู่อาศัยเท่ากับพูดแล้วยารักษาโรคเท่ากับพูดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอเป็นนิเทศก็ เ, เรียกว่าเป็นนัยยะที่เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างพอนั่นแหละคือนัยยะของอื่นๆก็จะคล้ายคลึงกันท่า น, นก็ต้องรู้จักประมาณประมาณในการรับหนึ่ง ประมาณในการสแสวงหาหนึ่งประมาณในการบริโภคนึงส่วนประมาณในการรับเนี่ยท่านมีวิธีว่าถ้าของมันมีมากทายกเข้าปรารถนาจะให้น้อยก็พึงรับแต่น้อยถ้าหากว่าของมันมีน้อยทายกเนี่ยใจใหญ่ก็เรียกว่าแต่ก็ของมันมีน้อยก็พึงรับแต่น้อยแต่ถ้าหากว่าของมีมากทายกเขาใจใหญ่ด้วยนะ ให้รับเอาแต่พอควรกาลังของตนนั่นแหละให้ตามเหมาะสมตามกําลังของตนเขาเรียกว่ารู้จักประมาณในการรับแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคนั่นแหละทีนี้พอคุณธรรมเหล่านี้นะทั้งปฏิโมกสังวรดีแล้วอินทรีย์สังวรก็ดีเรื่องปัจจัยสี่ก็ดีต่ท้าคตย่อมแนะนําเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนที่สุมาเถิด เธอจงเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่คือจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอาววรณีย์ออาวารณนิยธรรมก็คือพระองค์สอนให้ตื่นอยู่โดยชำระจิตปราศจากนิวรหา้านั่นแนหะก็คือไม่หลับแต่ตื่นอยู่ตื่นแล้วไม่ได้ตื่นด้วยนิวรห้าด้วยนะจิตใจในขณะนั้นนั้นต้องไม่ใช่เป็นไปกับนิวรหา้า ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันนะอันนี้นี่พูดถึงพระผูพ้พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนี้เขาเรียกว่าพูดตรงนี้นะมองเป็นสังขาัตนะก็ได้ว่าสารณะของเราคือสังฆครังสาระนางคัจฉามิเนี่ยสมัยก่อนที่ท่านเป็นสรณะที่พึ่งที่ประเสริฐของเราและก็ท่านเหล่านั้นช่วยสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาจนถึงยุคเรานั้นท่านปฏิบัติตัวกันอย่างนั้น นั่นแหละฟังในยะนี้ไว้ก็ได้นะถ้าเราบอกโอ้ทำตามไม่ได้คือบางอย่างเราก็ฟังเอาบุญเนี่ยคาพูดเหล่านี้นะเป็นสุปฏิปันโนผู้ที่ปฏิบัติตามนี้เรียกว่าเป็นพระสง์นะเราก็ทําใจให้ถูกนะแล้วก็ฟังเรื่องนี้ด้วยด้วยความรู้ความเข้าใจเราก็จะได้บุญในประเภทรู้จักสังขานุสติมากขึ้นเสร็จแล้วก็จงชําระจิตให้ปราศจากอาวารณนิยธรรม ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปฐมมยามแห่งราตรนะีกลางวันนี้ก็รวดเดียวนะทั้งยืนทั้งเดินเนี่ยตลอดวันเสร็จแล้วก็เดินจงกรมและนั่งตลอดปฐมยามตั้งแต่หัวข้ามถึงสี่ทุ่มอย่างนี้เรียกว่าปฐมมยามเพึงเอาเท้าซ้อนเท้ามีสติรู้สึกตัวทําความสําคัญว่าจะลุกขึ้นเอาไว้ภายในใจสําเร็จศีหาสายาโดยเบื้องขวาตลอดมดชิมยามแห่งราตรี ทำสติไว้ในขณะที่นอ น, นเขาบอกว่าวิธีการตั้งสติในอัตตะทาอปันนกะสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตท่านกล่าวว่าการตั้งสติก็คือตั้งสติก่อนนอนนะชั้นต้นเลยจะตื่นเวลาเท่านั้นตั้งไว้ก่อนคล้ายๆกับตั้งนาฬิกาปลุกในใจก่อนติฐานเวลาเท่านั้นต้องตื่ น, นถ้าคนที่ฝึกดีๆนะมันจะตื่นตรงเวลาเป๊ะเลยจิตเนี่ยกําหนดได้นะถ้าถ้าเราถ้าเราฝึกทีนี้ต่อไปนะก็ตั้งสติว่า กายนี้อยู่บกายนี้ไม่มีใจกายนี้ไม่มีใจคือใจกับกายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกายนี้อยู่บนเตียงที่ไม่มีใจเตียงที่ไม่มีใจอยู่บนพื้นที่ไม่มีใจพื้นที่ไม่มีใจอยู่บนดินที่ไม่มีใจดินที่มีใจอยู่บนน้ำที่ไม่มีใจใจเอะน้ำที่ไม่มีใจอยู่บนลมที่ไม่มีใจลมที่บไม่มีใจอยู่บนอากาศที่ไม่มีใจ นะต่างคนต่างไม่มีใจต่างไม่มีนะตรึกลักษณะนี้จนหลับไปนี่เขาเรียกว่านอนอย่างมีสติแปล ว, ว่าเจริญมนานสิการโดยาธาตุนั่นเองนะมนานสิการโดยความเป็นาธาตุเจริญกรรมฐานจนกว่าจะหลับแล้วก็ตั้งในกระตื่นขณะนี้นะลองคิดดูนะฝึกดูลองสมมติเราจะนอนนะก่อนหลับเนี่ยนะถ้า ง, งานอย่างอื่นที่เราหมดอยู่แล้วเนี่ยซึ่งที่เหลือเป็นความคิดซึ่งเฉื่อยชาเรือความคิดซึ่ง มันไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งอย่างเลยเป็นความคิดที่เรื่อยเฉยไปเราก็มาคิดหมายว่าขณะนอนเนี่ยนะกายเนี่ยอยู่บนเตียงที่เตียงไม่มีใจเลยใช่ไหมเป็นแต่ธาตุชนิดหนึ่งเตียงอยู่บนพื้นพื้นอยู่บนบ้านบ้านอยู่บ น, บนดินดิ น, ดนอยู่บนน้ำเนี่ยก็แล้วก็คิดนะเอติกายนี่มันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่บนเตียงเตียงก็ไม่รู้ว่าถูกกายเนี่ยอยู่ข้างบนต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ก็ตรึกในลักษณะนี้บ่อยๆเสร็จแล้วนะ ความเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆจะจะเข้าใจธรรมะเพิ่มอีกเยอะเลยแต่ต้องตรึกก่อนนะจึงจะจึงจะเข้าใจนั่นแหละแล้วก็จะร้อยธรรมะที่เราเคยฟังหมวดก่อนๆที่เรายังไม่ค่อยแจ่มแนะ จ, จ้งนะจะแจ่มแจ้งมากขึ้นเสร็จแล้วลุกขึ้นชำระ จ, จิตให้ปราศจากอนิวรด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีตีสองได้ตื่นแล้วถ้าสมัยพุทธกาลนะเพราะงาน คือศึกษาปริยัติแบบนี้ท่านก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าตามฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอถึงเวลาก็มาฟังถึงเวลาก็มาฟังแล้วไปเจริญไปปฏิบัติถึงเวลาก็มาฟั ง, ปป ง, ฟงอันพระสมัยก่อนนี้มีบุญมากนั่นแหละเดินติดตามพระผู้มีพระภาคไปนั่นแหละพระธรรมเคลื่อนที่อ่ะพระผู้มีพระภาคเพราะเป็นธรรมราชาทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนพรามในเมื่อภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ได้แตถาคตย่อมแนะนําเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า ดูก่อนภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปและถอยกลับเนี่ยสัมปชานาการีเข้ามาแล้วใช่ไหมสัมปชัญญะ4ี่เข้ามาเลยสัมปชัญญะสี่คือหนึ่งศาสกะสัมปชัญญะคํานึงถึงประโยชน์ของการถอยไปแต่าการก้าวไปและถอยกลับก่อนไปทำไมเห็นไหมสาสกะสัมปชัญญะสอง สปายะไหมกุศลจิตเกิดไหมถ้าไปอ่ะสามโคจรสัมปชัช ญ, ญะเจริญกรรมฐานได้ไหมสุดท้ายอะสัมโมหะสัมปชัช ญ, ญะที่เจรณาโดยความเป็นธาตุหมวดที่หนึ่งก็คือในการก้าวไปและถอยกลับหมวดที่สองว่าด้วยการแลและเหลียวดูแลเหลียวเนี่ยดูทําไมพระ อ, องค์ยกตัวอย่างของพระนันทะนันทพระนันทะเนี่ยเวลาจะเหลียวไปในที่ตะวันออกในท่านจะคํานึงก่อนเลย ท่านเลี้ยวไปแล้วอภิชาและโทมานัทจะเกิดขึ้นไหมปรารบก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไปนะจะเลี้ยวในทิศอื่นๆก็เหมือนกันทิศไหนๆก็ตามท่านนันทะเนี่ยเป็นแค่ว่าเป็นผู้มีชํานาญในเรื่องนี้มากแหละแต่ในชั้นนี้เราอยู่ที่ถ้าผู้ใดมีอัตตาสัมมาปณิทิคิดจะฝึกนะไม่ยากอะ่ะพระองค์ขาบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าสา ม, มารถปฏิบัติตามได้ถ้ามีศรัทธาที่จะปฏิบัตินั่นแหละถ้ามีศรัทธานะ สามารถทําได้การพิจา ร, รณาเหมือนกันหรือแค่นั่งอยู่นี่เอ๊ะนั่งยังไงกุศลจิตจริงจะเกิดได้อย่างต่อนเนื่องนะถ้าเราทําใจปารคบ่อยบ่ยนะเดีย๋ยวมันก็ได้คิดดูอ่ะเราพูดแบบภาษาธรรมดานะนักร่วงกระเป๋าเนี่ยมันคิดจะจะร่วงกระเป๋าในไหนมันก็ร่วงจนได้นัน่นแหละนะคนธรรมดานั้นฝักฝ่ายในเรื่องนั้นนั้นเนี่ยสามารถทําได้สําเร็จอะไรก็ตามถ้าจิตคิดจะทําในเรื่องนั้นนนะถ้าปลูกฝังความเชื่ออย่างแรงกล้าในสิ่งนั้นนเขาจะทําสําเร็จ แม้ขนาดคนคนทำบาปอาคุศนนะบางอย่างไม่น่าทำได้แต่เขาก็ก็ทำการเหมือนกับเดินไต่เชือกใช่ไหมน่ากลัวนะแต่เขาก็สามารถเดินได้เพราะเขาเชื่อว่าเขาทำได้อุศลธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามมีศรัทธาที่จะเอามามาคิดหรือคำนึงว่าสิ่งเหล่านี้คือสาระของชีวิตจริงๆเสร็จแล้วเราจะปฏิบัติตามได้แล้วก็ ต่อไปในเวลางอแขนและเหยียดแขนกละคู้เข้าเหยียดออกในเวลาทรงผ้าสังขติบาทและจีวรในยกตัวอย่างพระนะในเวลาชันดื่มเคี้ยวและลิ้มในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งเถิด น, นะคําสอนหลังจากที่ชําระนิวรณ์แล้วก็สอนเรื่องสัมปชัญญะต่อไปนี่เป็นลําดับทีนี้ลําดับต่อไปก็คือดูก่อนพรามณ์ ในเมื่อภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะได้ตถาคตย่อมแนะนําเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูก่อนภิกษุมาเถิดเธอจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าชา้าป่าช้าที่แจ้งลองง้อมฟังเถิดภิกษุนั้นพึงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าชา้าป่าช้าที่แจ้งและลอ้อมฟัง เธอกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งคัสมาะที่านั่งโคบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าละอภิชาเพ่งเล็งในโลกนะละอภิชาก็คือละกามฉันทะนิวอนนั่งละกามฉันทะเนี่ยกามฉันทะวิธีการละกามฉันทะละนั่กี่อย่างถ้าใช้คําว่าละปั๊บเนี่ยประหารนะหรือก็คือประหานะ การละนิวรเนี่ยละได้สามารถละได้กี่อย่างหนึ่งประหารนะปะหารมีเท่าไหร่หนึ่งตทางข้าประหารละการมาฉันท่าโดยการข่มไม่สอง ส, สมุเชเช่เออไม่ใช่ตทางค่าประหารหนึ่งวิขำสองตทางข้าประหารสามสมุชเฉ่ท่าประห า, ส า, มสมารหาสี่ ปฏิปัสสธิประหารและก็สุดท้ายนิสรณะประหารตะทางฆ่าประหารก็คือละโลภะเนี่ยจะต้องละด้วยธรรมะประเภทอสุภะเป็นต้นถ้าจะละโลภะนะถ้าการมาฉันทานิวอร์ท่านก็แนะนำให้เจริญประเภทกรรมฐานประเภทอสุภะนี่เรียกว่าเป็นตะทางฆ่าประหารเป็นวิขัมภนะประหารถ้าเป็นต่ทางฆ่าประหารก็คือ พิจารณาโดยความเป็นธาตุใช่ไหมในกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ใช่ไหมธาตุดินน้ําลมไฟธาตุดินคืออะไรบ้างที่มีอยู่ในกายนี้นะชำระแบบนี้นะคิดในเรื่องนี้มากๆนิวรมันก็กลัวเองนั่นแหละถ้าละด้วยแต่ทางข้าปรหารตารบลักษณะนี้มากๆแล้วสมุทเชื้ถ้าประหารจริงจะเกิดแต่ทีนี้พระองค์ใช้คํำเดียวก็คือละอ่า อภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละโทษคือพยาบาทบองร้ายแล้วเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในในสัตว์และพูดโยกก็คือสัตว์ทั้งหลายนั่นเองย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความชั่วคือพยาบาทได้อันนี้ก็คือชำระด้วยการเจริญเมตตาละถีนมิทะ ง่วงเหงาหานอนแล้วเป็นผู้มีจิตปราศจากถีนะมิทะมีอะโลกะสัญญาสำคัญว่าสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชาระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนะมิทะได้นะใส่ใจในความสว่างมากมากนะใส่ใจในความสว่างอะแต่ก่อนที่จะใส่ใจเนี่ยรู้เลยว่าประโยชน์ของการใส่ใจในความสว่างเพื่ออะไรใช่ไตั้งสติไว้เป็นอย่างดีเรียกว่าชาระจิตจากถีนะมิทะ และอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรําคาญแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่และความฟุ้งซ่านด้วยการเรียกว่าอุทจักกุกุจจะประเภทถ้าเป็นพระนะก็คือศึกษาเรื่องวินัยมาดีแล้วมันจะไม่ค่อยราคาญไม่ค่อยฟุ้งซ่านง่ายๆแต่ถ้าวินัยไม่ดีเห็นนั่นอับดับหรือเปล่าว่า ไ, ไปพูดงั้นผิดหรือเปล่าเสร็จแล้วนั่งฟุ้งแล้วนะศึกษาวินัยให้ดีนี่ก็เป็นปัจจัยเพื่อละ อุทจักภูริจะกได้ในปรับบวินัยข้อนั้นนั้นให้ดีๆแล้วก็ไม่ฟุ้งละละวิจิกิจฉาความสงสัยแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ไม่ไมสงสัยในกุศลธรรมเลยก็คือกุศลจิตมันเกิดมึนเนื่องแล้วก็ความสงสัยความเข้าใจผิดในเรื่องกุศลก็ลดลงไปย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ในเรื่องของการละนิวรห้า เวลาที่จะอธิบายให้ละเอียดในช่วงวันนี้คงไม่พออันก็จะกล่าวถึงทนากะโมคลาณสูตรอย่าถ่วงเวลา น, านานเกินไปเธอครั้นละนิวรห้าอันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองทำปัญญาให้ถอยกำลังนี้ได้แล้วจึงสงัดจากกรกามสงัดจากอสุลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เข้าทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายใน มีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะสงบวิตกและวิจาร์ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้วางเฉยเพราะนายปีติมีสติสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยนา ม, มากายเข้าตติยะฌานที่พระอริยเรียกเธอว่าผู้วางเฉยมีสติเป็นสุขอยู่เข้าจตุติฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมณฑลก่อนได้มีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ดูก่อนพราหมณ์ในพวกภิกษุที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุพระอระหันตมรรคยังปราถนาธรรมะที่กเกษมจากโยคะอย่างหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อยู่นั้นเรามีคำพร่ำสอนเห็นปานชนีนะก็คือธรรมะทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคก็สลับไปสลับมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแต่ว่าโดยความพิสดาร โดยแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติในเข้าร่องเข้ารอยที่พระ อ, องค์เสวยทรงแสดงไว้สําหรับภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วถึงประโยชน์ตนแล้วโดยลําดับสิ้นสันโยชน์ในภพแล้วพ้นวิเศษได้แล้วพ่อรู้ชอบนั้นธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สบายในปัจจุบันและเพื่อสติ สัมปชัญญะคือฌานเน่ยนะ mm hmm. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วคณะกะโมกขารนะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าสาวกของพระโคโดมผู้เจริญอันท่านพระโคโดมโอวาสางังสอนอยู่อย่างนี้ย่อมสำเร็จมีพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วนทุกรูปทีเดียวหรือหรือว่าบางส่วนก็ไม่สาเร็จอ่ะแปล ว, ว่าบรรลุอรหันต์กันหมดไหมจากคาสอนเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สาวกของเราอันเราโอวาสสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อยสําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จล่วงส่วนนิพพานไม่มากนะครั้นบางส่วนก็ไม่สําเร็จคณะกาโมคะลานาพราหมณ์ก็เลยกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมอะไรหนอะและเป็นเหตุเป็นปัจจัยในเมื่อนิพพานก็ยังมีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคโดมผู้ชัดชวนก็ยังมีอยู่ แต่สาวกของท่านพระโคโดมอันท่านพระโคโดมโอว่าสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกมีเพียงส่วนน้อยจึงสำเร็จนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วนบางพวกก็ไม่สำเร็จนะคนสอนก็มีนิพพานก็มีทางก็มีทาไมไม่สาเร็จเหมือนกันน่า จ, จะสาเร็จนะนะออกความเห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพรามถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรอย่างนั้นดูก่อนพราหมณ์ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนท่านชํานาญทางไปกรุงราชครึกไม่ใช่หรื อ, อะนะก็คือพระสูตนี้พระองค์ตรัสี่เมืองสาวัตถีใช่ไหมจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชครึกเนี่ยประมาณสี่สิบห้าโยชนั้นเมืองราชครึกกับเมืองสาวัตถีเนี่ยขณาการโมฆะลานะพราหมณ์นี่เขารู้ทางไปเมืองราชครึกเป็นอย่างดี ธณาการก็เลยบอกว่าแน่นอนพระเจ้าค่ะแสดงว่ารู้ทางดีมากพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชเครือพึงมาในสํานักของท่านเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงชี้ทางไปกรุงราชเครือแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกแก่เขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญมาเถิดทางนี้ไปทาง กรุงราชครึกท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นบ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นสวนที่น่ารื่นรมเห็นป่าที่น่ารื่นรมภูมิภาคที่น่ารื่นรมสระบกครณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครึกบุรุษนั้นอันท่านแนะนำพร่ําสอนอยู่อย่างนี้จับทางผิดเผล่ไปเดินเสียทางตรงกันข้าม ใช่ไหมถ้าอยู่อย่อยางเงี้ยมีใครมาถามทางไปกรุงเทพกับโยมผู้การเนี่ยสามารถเล่าให้ฟัง้หมดเลยนะผ่านจังหวัดไหนไปถึงทงไหนมีทางแวะไหนมั่งมีสวนตรงไหนถ้าไปค่ําแล้วเข้ารพักโรงแรมตรงไหนตรงไหนเนี่ยจะทานอาหารตรงไหนอร่อยเนี่ยสามารถปรึกษาได้เลยในเรื่องนี้นั้นก็สามารถเล่าให้ละเอียดโออุตสาห์บอกทางอย่างดีพวกไม่ไปอ่ ะ, <c oughs> ะไปกันคนละทางเลยอ่ะเลยไม่ถึงกรุงเทพเลยต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชครึก เพิ่งมาในสำนักของท่านเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปราทานจะไปกรุงราชครึกท่านจงชี้ทางไปกรุงราชครึกแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านเพิ่งบอกแก่เขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจํเริญมาเถิดทางนี้ไปกรุงราชครึกท่านจงไปทําตามทางนั้นช <im> ั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นบ้านชื่อโนู้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นนิคมชื่อโนู้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจักเห็นสวนที่น่าเรื่นรม ป่าที่น่ารื่นรมภูมิภาพที่น่ารื่นรมสระบกคารณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครึกบุรุษนั้นอันท่านแนะนําพร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชครึกโดยสวัสดีดูก่อนพราหมณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยในเมื่อกรุงราชครึกก็มีอยู่ทางไปกรุงราชครึกก็มีอยู่ผู้ชี้ทางก็มีอยู่แต่บุรุษอันท่านแนะนําพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ คนหนึ่งจับทางผิดพลไปเดินทางตรงกันข้ามคนหนึ่งไปกรุงร่าจะครึกได้โดยสวัสดีทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอุสาวบอกทางได้อย่างดีอีกคนหนึ่งถึงเป้าหมายอีกคนหนึ่งไม่ถึงอ่ะคณะกรรโมฆะลานะก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมในเรื่องนี้ข้าพระองค์จะทําอย่างไรได้ข้าพระองค์เป็นแต่เพียงผู้บอกทางพระผู้มีพระภาคตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันแหละในเมื่อ น, นิพพานก็มีอยู่ ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราผู้ชักชวนก็มีอยู่แต่ก็สาวกของเราอันเราโอว่าสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อยสาเร็จนิพพานอันมีความสาเร็จล่วงส่วนบางพวกก็ไม่สาเร็จดูก่อนพร์ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ตะถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางนะพมจะไปว่าอะไรใช่ไหมเมื่อเขาไม่เดินอัางก็บอกแล้วอ่ะจะไปว่าอะไรเขา เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์คะกะโมกขาลาณนะได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมบุคคลจำพวกที่ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิตออกบวชโออวดมีมายาเจ้าเล่ฟุ้งซ่านยกตัวกลับกรอกปากปากล้าพูดพล่ำมไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้จักประมาณในโพชนะไม่ประกอบความเพียรเครื่องตือนไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่เคารพอย่างแรงกล้าในศิขาประพฤติมักมา ก, มากปฏิบัติย่อหย่อนเป็นหัวโจรในทางเชิญแช่ทอดทุระในวิเวกความสงัดเงียบเกียดคร้านมีความเพียรเลวลืมสติไม่รู้ตัวไม่มั่นคงมีจิตรวนเรมีความรู้สามเป็นเหมือนคนหนวกคนใบ้ ท่านพระโคดมย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลจำพวกนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่อยู่กับคนประเภทนี้เลยส่วนพวกกุลบุตรที่มีศรัทธาออกบวชไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ห์ไม่ฟุ้งซ่านไม่ยกตนไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำไม่พูดเพลินคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรเครื่องตือนนำพาในความเป็นสมณะเคารพแรงกล้านในศิษยาไม่ประพฤติมากๆไม่ปฏิบัติย่อหย่อนทอธทุระในทางเชิญแชร์เป็นหัวหน้าในวิเวกความเงียบสงัดปรารบความเพียรมอบตนไปในธรรมะตั้งสติไว้มั่นรู้ตัวมั่นคงมีใจแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกคนไหท่านพระโคดมย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรพวกนั้น ข้าแต่ท่านพระโคโดมเปรียบเหมือนบรรดาไม้ที่มีรากหอมไม้รากหอมเขายกย่องกฤษณาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมเขายกย่องแก่นจันท์ว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอมเขายกย่องดอกมะลิว่าเป็นเลิศฉั้นใดโอวาทของท่านพระสมณะโคโดมก็ฉะนั้นเหมือนกันแลบัณฑิตกล่าวได้ว่าเป็นเลิศ ในบรรดาธรรมะของครูอย่างแพะที่นับว่าเยี่ยมครูแพะก็ได้อยินนะอะถามว่าครูแพะคือใครก็คือครูทั้งหในสมัยพุทธกาลนั่นแหละเขาเรียกครูแพะแจมแจ้งจริงๆพระเจ้าค่ะแจมแจ้งจริงๆพระเจ้าค่ะท่านพระโคดมประกาศ ธ, ธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหายของที่คว่ําหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีบในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูปทั้งหลายได้ ฉะนั้นข้าพระองค์ขอข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบคณกจโมกขลาณสูตรควมจริงสูตรนี้นะทำให้เราเห็นตลอดทั้งสูตรนะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระภิกษุ ท, ที่บวชเนี่ย นะครับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติยังไงนะตั้งแต่ชั้นต้นเป็นเรนื่องเรื่องศีลปาฏิโมกปาฏิโมกสังวรศียแล้วก็มาถึงอินเสียสังวรศีลมาถึงปัจเจยะเนี่ยนะครับชนิดศิษศีลแล้วก็ทำให้เพียงทําตนให้เป็นโภชเนมัตตัญุตา เ, าเาแล้วก็ทําให้ตื่นอยู่นะตื่นอยู่แล้วก็ในระหว่างเนี้ยประพฤติปฏิบัติยังไง ท่านคิดยังไงท่านปฏิบัติยังไงเจต <ki> ว่ามีทั้งสมถะมีวาสนาเนี่ยควบคู่กันไปตลอดเลยนะครับตั้งต้นมาตั้ ง, ตงแต่เรื่องศีล ม, มาเลยใช่ไหมครับเราพอมองเห็นว่าท่านบรรลุมรคนแบบไหนลักษณะไหนผมพอมองเห็นอย่างนี้ครับนี่หมายความว่าพระผู้ผุทิภาททรงแสดงทางไว้ให้ดูใช่ไหมครับนิพพานก็มีแล้วทางก็มีแล้วผู้สแสดงก็มีแล้วแต่ผู้บรรลุไม่หมากนักตอนนั้นอายุบรรลุอยู่ที่ไหนไม่รู้เราอ่ะ ตอนนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนกับวันนี้นั่นแหละคะคืออย่างน้อยก็เอาละนะรู้รู้ผลทางรู้ทางแล้วดีนะดีแล้วนะแต่บางคนก็บอกเขากล่าวอย่างนี้นะเป็นวาจาทุพภาสิทธ์เาบอกว่าเขาไม่มีธุระเขาว่างั้นแต่เป็นวาจาทุภาสิทธ์นะไม่ควรเอาตามนั่นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่ไม่ได้ฝักฝ่ายในทางนี้นะจึงเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุด นะวันนี้บาปยังไม่ให้ผลแต่อย่าคิดว่าบาปไม่มีผลนะนะก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายขอให้ถึงทางที่ปลอดภัยกัน